ก็วันนี้นะหลวงพ่อก็เพิ่งจะนึกได้เมื่อเช้าแหละว่าจะตั้งชื่อเรื่องอะไรดีนะเพราะก่อนนั้นก็ตั้งหัวข้อไว้ก่อนว่าสนทนาสนทนาธรรมก็เลยมานึกถึงเออเมื่อวานเราก็พูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่กําลังปรากฏนะโดยโดยเฉพาะที่โยมยกป้ายสีฟ้าขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละก็คือถ้าเจาะจงลงไปขนาดนั้นเนี่ยคือสิ่งที่กําลังปรากฏนะเรียกว่าปรากฏทางตาอปรากฏทางตาก็คือเห็น ก็คือเป็นแค่ขณะที่ปัจจุบันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทรงไว้ว่าปรากฏแค่เห็นทางตาอย่างเดียวแล้วก็จะไม่ได้ยินทางหูหรือไม่รับรู้ทางกายหรือไม่รับรู้ทางลิ้นทางจมกูกไม่รับรู้ถึงความรู้สึกทางใจตัวอื่นมันก็เป็นอายตนะซึ่งมันพร้อมที่จะปรากฏให้รับรู้ได้เหมือนกันชแต่ทีนี้ถ้าถ้าสติไวเนี่ยคือรู้จักมันก็ว่าจิตเนี่ยมันจําสภาวะได้เนี่ยพออะไรเกิดขึ้นทางประตูไหนที่มันแบบ เด่นๆแรงๆเนี่ยมันก็จะรู้โดยออตโต้เลยง่ <c oughs> ายมากสินะที่ไปถึงตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้หัวคิดเลยว่าว่ารู้อะไรมั่งรู้เป็นยังไงไม่ต้องเลยเรียกว่าจแจมแจ้งพระเจ้าข้าเลยอะ <c oughs> สิ่งที่จริงๆเนี่ยเรื่องธรร ม, มะเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยเป็นเรื่องแบบง่ายมากๆง่ายจริงๆแต่ทีนี้ทําไมความรู้สึกของพวกเราที่ปฏิบัติเนี่ย รู้สึกว่ายากนะเข้าใจยากออแล้วก็ปฏิบัติได้ยากไอ้ตรงคําว่ายากตรงนี้มันมีตัวนิดเดียวคือเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจในของที่ง่ายพอไม่เข้าใจเนี่ยแน่นอนแหละนะมันจะต้องคิดคน้นมีการกระทาบางอย่างมีการโอ้ยสารพัดเอาเป็นเอาตายกันเลยแต่ทีนี้ถ้าสมมติหลวงพ่อจะยกตัวอย่างที่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแบบง่ายๆไปก่อนนะ ลองฟังลองลองดูกันซิว่ามันง่ายจริงไหมสมมติว่าการได้ยินแบบเนี้ยนะหลวงพ่อพูดถึงเรื่องเรื่องเสียงที่มากระทบหูแล้วมันได้ยินเนี่ยมันยากไหมในการที่จะได้ยินนะเมื่อวานเนี่ยวันก่อนหลวงพ่อก็ลองเคาะอะไรให้มันมีเสียงขึ้นมาเนาะก็ก็ก็อืมทุกคนก็รับทราบว่าคือได้ยินแล้วไอ้ตรงที่ได้ยินแบบเนี้ยดูซิว่ามันยากตรงไหนไม่ยากเลยเพียงแต่การได้ยินนั่นแหละคือ ปฏิบัติธรรมแล้ว and, ถ้าเข้าใจเรื่องการได้ยินก็คือนี่คือปฏิบัติธรรมแล้วเพราะการได้ยินเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในปัจจุบันการได้ยินเนี่ยมีแค่ปัจจุบันเท่านั้นพอได้ยินปัจจุบันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ตกร่วงเป็นอดีตหมดเสียงก็ดับการได้ยินก็ดับดับหมดอ่าทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องการได้ยินแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้เออถ้าถ้าพูดถึงแค่นี้มันไม่ยากทุกคนก็ยอมรับเลยว่าเอาถ้าพูดถึงเรื่องการได้ยินไม่ยาก พะได้ยินแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องการเห็นบ้างการเห็นทางตาเนี่ยยากไหมอ่ะเอาสมมติมีอันนี้ยังไม่เป็นปัจจุบันนะแต่ว่าเอาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเชน่นเราเดินอยู่เนี่ยแล้วมีฟ้าแบลบแลบเนี่ยนะมันเห็นเลยอะ่ะมีเห็นเลยในปัจจุบันขณนะนั้นว่ามีแสงเนี่ยกระทบตาแล้วก็เกิดการรับรู้คือเห็นเห็นพอมันเห็นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ผ่านไปจบไปหมดไป แสงที่เห็นมันก็หมดแล้วผ่านไปหมดไปนะมันมีเห็นแล้วหมดได้ยินแล้วหมดมีแต่หมดไปหมดไปนะซึ่งเป็นขณะสั้นสัสั้นสั้ น, นทีนี้ถ้าเรามาเอาพูดถึงทางจมูกบ้างเรื่องกลิ่นกลิ่นเนี่ยเมื่อมันมีกลิ่นกระทบจมูกมันก็เกิดการรับรู้คือรู้แล้วว่ามีกลิ่นมันยากไหม อ, ะอ่ะอ่าสมมุติว่าใครเอาอะไรกลิ่นที่มันแบบ ออสัมผัสได้ทางจมูกเนาะมาผ่านจมูกปั๊บเนี่ยกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือรับรู้ไปเรียบร้อยแล้วว่ามีกลิ่นแล้วก็เมื่อรับรู้เสร็จแล้วกลิ่นเนี่ยมันก็ดับเป็นขณะแล้วมันก็รู้ใหม่แล้วก็ดับเป็นขณะอืแต่ความที่ของการเกิดดับของการรับรู้กลิ่นมันก็เร็วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจจุบันขณะพอเกิดปับ๊บดับปุ๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บดับปุ๊บเลยอือทีนี้อา้าวการรับรู้ทางกายบ้าง เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมีคนมาถูกตัวเนี่ยมีคนมาจิ้มตัวเนี่ยนั่งนั่งอยู่เนี่ยมีคนเอาเอานิ้วมาจิ้มที่ตัวเนี่ยปุ๊บนี่สัมผัสที่ตัวเนี่ยคือรับรู้แล้วพอจิ้มปั๊บอ่ะรู้แล้วรู้แล้วจิ้มทีหนึ่งก็รู้ทีหนึ่งจิ้มทีก็รู้ทีหนึ่งจิ้มทีก็รู้ทีจิ้มรัวรัวก็จะรู้แบบรัวรัวจะรัวแค่ไหนก็ตามการรับรู้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันรู้ทันหมดแหละจะจิ้มเร็วแค่ไหนมันก็รู้ทันแต่มันไม่ได้นับไงเพราะว่าท่านับอนับไม่ทัน แต่ถ้าจิ้มรัวรัวรสุดเขตแค่ไหนมันก็รู้เป็นขณะเป็นขณะคณะนันแหละอย่างรัวๆอันนี้ก็คือเป็นการรับรู้ทางกายต่อมาเป็นการรับรู้ทางใจก็คือพวกธรรมอารมณ์ทั้งหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกสบายใจความรู้สึกโกรธ อะไรก็แล้วแต่ที่มีมากมายในในในจิตเนี่ยที่มันเป็นความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกชนิดนี้มันยากไหมล่ะในการที่จะรับรู้ไม่ยากเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนในการรับรู้เลยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงแรงเพียงแต่พอมันเกิดเนี่ยมันจืกเข้ามาแล้วมันจึ๊กเข้ามามันจึ๊กเข้ามาในใจอ่ะมันแทงใจอ่ะถ้าเป็นความทุกข์มันก็แทงเนาะเหมือนกับว่าเป็นความรับรู้ที่แบบเสียแทงแต่ถ้าเป็นความรู้สึก มันเป็นความนุ่มนวลแบบเป็นสุขแบบปิติแบบเย็นเย็นฉ่ำฉ่ำอะไรเนี้ยแต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดเนี่ยที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเนี่ยมันยากไหมก็คือไม่ยากก็ถูกต้องแล้วไม่ยากเนี่ยคือธรรมะในขั้นนี้คือขั้นการรับรู้การรับรู้ทางหูทางตาทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ยากทีนี้ ถ้าเราเข้าใจในถัดมาอีกคือพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องพวกนี้แหละว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันในหลวงพ่อต้องต้องพูดสิ่งที่เป็นสำคัญเพราะว่าตรงนี้จะต้องพูดเสียก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเข้าใจผิดตลอดทางการปฏิบัติคือพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์พูดถึงสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารเป็นอนัตตา หลวงพ่อเชื่อว่าพวกเราเนี่ยได้ฟังสิ่งพวกนี้มาเยอะแล้วในเรื่องใจรักหลวงพ่อก็คงไม่ต้องอธิบายอีกเนาะแต่เอาเป็นว่ามาพิจารณาเป็นอย่างๆไปเลยว่าเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องของรูปก็ดีรสก็ดีกลิ่นก็ดีสิ่งที่มากระทบกายก็ดีทำมารมณ์ก็ดีเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วทันที สิ่งนี้แล้วท่านบอกว่าเนี่ยมันคือเป็นสังขารลักษณะของสังขารคือเกิดแล้วคือมีความไม่เที่ยงมีแล้วหมดไปนะมีแล้วหมดไปไม่มีอะไรที่มีแล้วไม่หมดสิ่งใดที่ขึ้นชื่อว่ามีสิ่งนั้นจะต้องหมดเพราะฉะนั้นรูปรสกลิ่นเสียงโพธพะสิ่งที่มากระทบกายแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องหมดไปนะการได้ยิน การการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรูร้รสซึ่งเป็นวิญญาณวิญญาณที่เป็นขันธ์หเนี่ยวิญญาณขันธ์เนี่ยนะที่รับรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจสิ่งพวกเนี้ก็ดับพร้อมไปกับรูปรสกลิ่นเสียงธรรมารมหรือสิ่งที่มากระทบกายมันดับพร้อมกันแล้วก็หูตาจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอายตนะภายในซึ่งมันมีแล้วมันก็ต้องหมดไปเหมือนกันหู หูเนี่ยหูมันหูมันเสื่อมต่อไปหูมันตายมันเน่ามันเปื่อยใช่ไมไม่ได้ไม่เกินร้อยปีหูเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างก็มีแล้วหมดไปมีแล้วเสื่อมไปเพราะฉะนั้นหูตาจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั้นรวมความแล้วที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดนี่ถ้าพูดถึงเรื่องอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา อันเนี้ยถึงแม้ว่าจะยังรู้ไม่แจ้งแต่พระพุทธเจ้าพูดไว้อย่างนี้คือสิ่งเหล่าเนี้เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ต้องฟังท่านไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาพิสูจน์ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วก็พบว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละแสดงว่าถูกต้องแล้วค่อยเชื่อพระพุทธเจ้าและพิสูจน์แล้วว่าสังขารเป็นทุกข์คือทุกข์ขังทนสภาพเดิมไม่ได้มีแล้วแก่เจ็บตายไป ถ้าเห็นจริงตามนี้ก็ค่อยเชื่อพระพุทธเจ้าว่าโอ้ถูกต้องแล้วแล้วก็ความเป็นอนัตตาก็คือรูปรสกลิ่นเสียงโพธพาภาธรรมอารมพวกเนี้ยเกิดเองเกิดเหตุเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุให้เกิดเสียงมันก็เกิดมีเหตุให้เกิดกลิ่นมันก็เกิดมีเหตุให้เกิดรูปรูปสีอะไรต่างๆมันก็มีเหตุให้เกิดแล้วก็ทุกอย่างมีเหตุให้เกิดพอเกิดแล้วมันก็หมดไปเหมือนกัน ควาหมดไปก็คือมีจากมีเนี่ยก็เป็นไม่มีคือเป็นศูนย์ไปเลยคือเป็นไม่มีไอสิ่งที่มันไม่มีเนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวตนไม่ได้อย่างดีก็สิ่งที่มีเนี่ยเขาเรียกว่าชั่วข่าวแต่ความชั่วข่าวเนี่ยมันไม่ถาวรเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นอัตราเรียกว่าตัวตนไม่ได้ตรงนี้แหละจึงชี้ให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติที่มีลักษณะอย่างนี้เองไม่ใช่ตัวไม่ใช่เรา พอเข้าใจอย่างนี้รอบแล้วครบถ้วนแล้วก็หมายความว่าไม่มีเราเลยไม่มีเราในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในโพท์ในสิ่งที่มากระทบกายแล้วก็ที่เป็นธรรมารลมหูตาจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่เราวิญญาณที่การที่เกิดการรับรู้ทางอายตนะเหล่านี้มันก็เกิดดำก็ไม่ใช่เราเหมือนกันตรงเนี้ยชี้ให้เห็นแล้วว่าไม่มีเรา เมื่อเข้าใจอย่างนี้เพียงปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในปัจจุบันขณะว่าอะไรก็ตามที่มันกำลังปรากฏขึ้นนั่นแหละคือรู้แล้วเห็นแล้วเมื่อกี้การรับรู้ก็ไม่ยากตามที่หลวงพ่อบอกเนาะการรับรู้ก็ไม่ยากไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาเพ่งเอ้ยไม่ต้องมานั่งเพ่งนั่งจ้องหรือเดินเพ่งเดินจ้องเพียงแต่เดินปกตินี่แหละเดินปกติแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่กาลังปรากฏ รับรู้ถึงสิ่งที่ปรากฏเพียนตรงนี้ให้มากเพียนตรงนี้ให้มากแล้วก็จะเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองใครจะมาดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นเนี่ยให้ผิดธรรมชาติไปเนี่ยไม่มีทางจะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นยอมรับความจริงตามที่มันมีมันเป็นเมื่อยอมรับความจริงแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญา ปัญญาคือเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าไม่มีเราจริงๆเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยปัญญาก็พัฒนาอีกจนรู้แจ้งจนกระทั่งว่าเข้าใจเลยว่าเราไม่ได้เกิดมาเราไม่ได้แก่เราไม่ได้เจ็บเราไม่ได้ตายเราไม่ได้เป็นอะไรมีแต่สังขารอย่างที่หลวงพ่อว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งเนี่ยมันมันยากตรงไหนเนี่ยที่ที่หลวงพ่อเล่ามาไม่ยากเลย ที่มันไม่ยากเพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรการได้ยินก็ได้ยินเองอยู่แล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันก็เกิดขึ้นของมันเองอยู่แล้วการเห็นก็ไม่ต้องทํากิริยาเห็นมันก็เห็นของมันได้อยู่แล้วการรู้กินอะไรทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่มีครบถ้วนบริบูรณ์ในการารับรู้ต่างๆ ถ้าเข้าใจอย่างนี้มันไม่มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ยุ่งยากหรอกก็คืออยู่อย่างปกติเนี่ยเดินยืนนั่งนอนกินนอนอาบน้ำกินอะไรก็ว่าไปในชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่าเออนะเข้าใจเรื่องนี้ก็เข้าใจแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกโลกสมมติโลกสม ม, ต, ส ม, มติคือเราสมมติกันว่ามีคนมีสัตว์มีดีมีชั่วมีอะไรต่างๆที่เรารู้จักกันเนี่ย จะต้องใช้สมมุติให้ถูกก็คือสรุปรวมรวมก็คือว่าเมื่อที่เกิดมาในโลกเนี่ยสมมุติชื่อว่าเป็นเราแล้วเนาะเป็นเราเป็นเขาเนี่ยจะต้องดํารงตนก็หมายความว่าจะต้องออใช้สมมุติให้เป็นก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นผู้มีศีลเนา ะ, ะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นออย่างศีลห้าที่เขากําหนดเอาไว้เนี่ยมีห้าข้อห้ามอมีเจตนาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกาลไม่ผิด ไม่พูดเท็จไม่เสพสิ่งที่เป็นยาเสพติดของมึนเมาตรงนี้ต้องปฏิบัติให้ถูกเพราะว่าถ้าถ้าปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยในสังคมที่มันเป็นสมมติไงมันจะเดือดร้อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยกใช้สมมติให้เป็นส่วนธรรมะขั้นวิมุตขั้นหลุดพ้นเนี่ยอันนั้ น, น่ะมันเป็นปัญญาซึ่งรู้อยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้เพื่อความไม่เป็นทุกข์ได้คืออยู่เหนือสมมติ นะอยู่เหนือสิ่งอยู่เหนือสังขารอยู่เหนือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายนะแล้วก็อยู่ด้วยความไม่มีใครเป็นทุกข์แต่โลกสมมติก็ให้ลดตัวลงต่ำลงมาหน่อยก็คือแบบสมมตุติแบบสมมติแบบที่เขาทํากันถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยากตรงไหนล่ะโยมหลวงพ่อดูแล้วมันไม่มีไม่มีข้อยุ่งยากตรงไหนเลยกราบนรรมสการหลวงพ่อคือตอนเนี้ค่ะปวดหัวมาก ตัวรู้นี่กระจายเลยค่ะหลวงพ่อคือหาไม่เจอน่ะคือเขาเรียกอะไระ่ะอย่างคือปอ่วมันปวดหัวจริงๆนะคะอย่างถ้าเราเกิดอาการแบบนี้ค่ะเราจะทำยังไงเดียวค่ะก็ต้องแบ่งเป็นสองภาคเนาะเออคือถ้าในเรื่องของแบบโลกๆเนี่ยเขาเรียกว่าใช้สมมุติให้เป็นเกิดใช้ปัญญาก็คือต้องอย่างที่เขาว่าเนาะถ้าป่วยเป็นไข้กออ็กินยาหาหมอก็ว่ากันไปนะ คือมันเป็นเป็นหน้าที่อันนี้ก็เป็นหน้าที่แบบหน้าที่ที่เขาเรียกว่าแบบสมมติอ่ะแบบปรุงแต่งแต่ทีนี้ในทางปัญญาเนี่ยในทางทางธรรมะเนี่ยก็ให้มองให้ออกอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าอาการที่กำลังปรากฏที่เรียกว่าปวดหัวสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเพราะมี ม, มีมีเหตุปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกันเนาะจนทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันที่เรียกโดยสมมติว่าปวดหัว เพาะฉะนั้นอาการอาการที่เรียกว่าปวดหัวเนี่ย <_ d ata> เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่กําลังปรากฏขึ้นในปัจจุบันมันไม่ใช่เรานะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่จริงๆนะทั้งหมดทั้งสิ้นนะมันไม่ใช่เราหมดแม้กระทั่งหัวก็ไม่ใช่เราผู้รู้ว่าปวดก็ไม่ใช่เราหรือว่าผู้ที่กําลังพูดเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ใช่เรานะทีนี้ให้สังเกตแบบนี้ก็คือว่าแยกให้เป็นว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่ง นะเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมสภาพไปตามเช่นนั้นเองอย่าได้หลงพึงยึดถือว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเรานะทีนี้ก็โยมก็ก็หมายความว่าเนี่ยเราก็ต้องสมมติเชื่อว่าเป็นโยมเนาะ เ, เมื่อมีอาการอย่างนี้ก็มีหน้าที่การทำหน้าที่ก็คือก็เอาขันห้านี่แหละเอาธรรมชาติที่มีเนี่ยใช้งานมันก็คือให้มันไปหาหมอหรือว่ากินยาอะไรก็ว่ากันไปตามวิถีชีวิตปกติเลยนะ อเมื่อเมื่อโยงเข้าใจสองสิ่งนี้นะก็โอเคโยงก็สามารถทั้งเข้าใจโลกและก็เข้าใจธรรมะแต่ทั้งโลกและก็ธรรมะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเลยโอเคไหมตรงนี้เข้าใจเข้าใจหลวงเข้าใจอะไรที่หลจะมาแต่ว่าแบบคือเวลาเจ็บปวดนี่ไอ้ไอ้ตัวรู้เหมือนมันแตกกระเจิงเหมือนกันนะฮะถือไหมถือว่า อย่างเวลาปกติก็พยายามทํำอย่างที่หลวงพ่อสอนมันก็ยังพอมองเห็นนั่นละค่ะเออว่าเราเห็นว่าเราเออเขาเรียก อ, อะไรนะเดินหรือคิดหรือปรุงแต่งอย่างที่เคยถามหลวงพ่อแต่พอเวลาป่วยนี่แบบเหมือนกับไอ้ตัวรู้อะไรเนี่ยมันเปนอ่อนกําลังลากเกิน อ, อ, อ่อนคือมันมีอย่างนี้นะคือสภาพธรรมะเนี่ยถ้าถ้าเราพูดให้ให้พอเข้าใจเนาะ เช่นเราจะพูดว่ามันมีสิ่งถูกรู้และก็มีผู้รู้นะเมื่อกี้ที่บอกว่ามันกระเจิงมันอ่อนกําลังพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยเป็นสิ่งถูกรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเออมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี้ผู้รู้เนี่ยจริงๆก็คือวิญญาณขันนี่แหละนะในเพราะในขันหน้ามันก็จะมีวิญญาณขันที่ทําหน้าที่รับรู้ทางรับรู้อาจจะรับรู้ทางใจนะรับรู้ทางใจว่าเอ๊ยมันมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น แต่ทีนี้การรับรู้ของวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันพูดไม่ได้ใช่ไหมมันเพียงแต่รู้แต่ว่ามันจะต้องทำงานร่วมกันกับตัวตัวอื่นเช่นทำงานร่วมกันกับตัวเวทนาคือความรู้สึกแล้วก็สัญญาแล้วก็ตัวคิดนึกปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเวลาวิญญาณขันมันรับรู้อะไรเนี่ยมันจะมีขันตัวอื่นมาร่วมกันทำงานจนสามารถที่จะแสดงแสดงอาการให้คนอื่นรับรู้ได้ว่า เออมันไปรู้อะไรมาบ้างอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันไปรู้อาการปวดหัวเนาะปวดหัวก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็เป็นเวทนาในภาษาธรรมะเออเป็นความรู้สึกไม่สบายอ่าไม่สบายทางกายวิญญาณก็ไปรู้คือวิญญาณเนี่ยวิญญาณทางใจก็ไปรับรู้ถึงอาการเหล่านี้พอมันรับรู้เสร็จแล้วมันไม่รู้อย่างเดียวดิมันต้องมาพูดให้คนอื่นฟังว่าเนี่ยโยมปวดหัวมากเลยอ่าเพราะฉะนั้นรวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยกระบวนการทั้งหมด ทั้งตั้งแต่ปวดหัวทั้งจำได้ทั้งมีความรู้สึกรู้สึกอาจจะพอใจไม่พอใจแล้วก็การคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็อะไรต่างๆมันเป็นขันห้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แสดงออกให้คนอื่นรู้เนี่ยรวมแล้วก็คือขันทั้งห้ามันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีทั้งๆที่พูดได้อ่าที่พูดได้มันก็ปากพูดเนาะกายพูดมันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีเพราะเป็นของมีแล้วหมดไปเสื่อมไป เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจกระบวนการของของชีวิตของขันหทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเนี่ยมันทำงานอยู่อย่างนี้แล้วก็เอาอะไรมารู้หลักข่าวนี้ต้องเอาใจมารู้ใจที่เป็นใจแท้หรือว่าจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้เนี่มารู้กระบวนการทำงานของขันห้าว่าโอขันห้านี่มันทำงานอย่างนี้เนาะหมายถึงว่าเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปแต่ใจเนี่ยซึ่งเป็น เป็นธาตุรู้เป็นธาตุตามธรรมชาติซึ่งไม่มีความปรุงแต่งที่มีแต่ความรู้คือได้แต่รู้ใจเนี่ยจึงได้รู้แจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของขันห่าว่าอ๋อขันห้ามันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็ใจเนี่ยมันก็รู้จักตัวมันเองว่ามันอ่ะมันไม่ใช่ขันห้ามันได้แต่รู้ขันห้าขันห้าจะเป็นอย่างไงใจมันได้แต่รู้แต่ขันห้าเอ้ยใจเนี่ยมันไม่เคยไปช่วยขันห้าเลยนะมันได้แต่รู้แจ้งอยู่ เช่นขันห้าปวดหัวจะแย่อยู่แล้วแล้วก็ไอตัวตัวทำงานทางทางจิตทางใจที่มันบ่นมันพูดมันภาคมันวอยวายอะนะใจก็รู้อยู่ว่าโอ้ใจมันพูดไม่ได้นะแต่ว่าใจเนี่ยมันรู้อยู่ว่าไอกระบวนการของของขันห้าเนี่ยทำงานอย่างไรบ้างมันก็เห็นหมดแต่ใจมันก็รู้จักตัวมันดีว่าใจมันไม่ใช่ขันห้า ใจเนี่ยจึงพ้นไปจากขันห้าใจเนี่ยเป็นความไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะว่าใจมันพ้นไปจากขันห้าแล้วทีนี้ถ้าถ้าเนี่ยถ้าฟังเข้าใจหรือว่า อ, อสามารถมองทะลุได้ว่าเออจริงจริงเนะเนาะไอความทุกข์กับความไม่ทุกข์นี่นะมันก็อยู่ด้วยกันไอความทุกข์ก็คือไอตัวขัขนห้าที่ปวดหัวทั้งบน่นทั้งปวดหัวทั้งพอใจทั้งไม่พอใจอันนี้ก็มีอยู่ที่กําลังปรากฏ แต่ใจมันเป็นฟากเป็นฟากที่เห็นทุกแต่ใจไม่เป็นทุกเห็นทุกก็คือรู้แจ้งในทุกว่าทุกเป็นอย่างนั้นแต่ใจมันไม่ได้เป็นทุก์ด้วยใจเนี่ยจึงเป็นความหลุดพ้นใจเป็นความหลุดพ้นหลุดพ้นจากขันห้าเมื่อหลุดพ้นจากขันห้ามันก็คือใจนี่มันก็มันไม่มีความทุกเลยจะเรียกว่าใจก็คือเข้าสู่นิพพานเป็นนิพพานไปเลยนี่หลวงพ่อพายาวไปจนถึง ขันโน้นเลยนะแต่ที่โยมถามเนี่ยโยมถามแค่นี้แต่หลวงพ่อพูดยาวไปถึงโน่นเพื่อให้เข้าใจแบบในภาพภาพกว้างๆไปก่อนว่าเออที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์เนี่ยก็คืออย่างนี้สิ่งที่เกิดมาตัวโยมเกิดมามันมีขันห้าใช่ไหมแน่นอนเนี่ยมันหนีจากการปวดหัวตัวร้อนไม่ได้มันจะต้องประสบแต่ด้วยที่มีปัญญาเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าอ๋อเมื่อเกิดมาแล้วมันจะต้องประสบกับสิ่งพวกนี้ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ปวดหัวก็ปวดท้องปวดอย่างอื่นปวดตามเนื้อตามตัวแต่สุดท้ายมันปวดแล้วก็ตายซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องไปมันเป็นเหมือนกันหมดเลยคือทุกคนเนี่ยที่เกิดมาจะต้องแก่เจ็บตายไปอ่ะเพราะฉะนั้นให้ให้เกิดปัญญาขึ้นให้เห็นความจริงว่าอ๋อมันหนีจากสิ่งนั้นไม่ได้แต่มันจะพ้นทุกข์ได้ก็คือต้องรู้จักใจใจที่เป็นธรรมชาติรู้เป็นธาตรู้เนี่ยว่าใจนี่แหละคือความไม่ทุกข์ แต่ใจเนี่ยสามารถรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งได้อืมทีนี้กล็ลองฟังไปนะแล้วก็ให้ซักถามกันเพราะว่าตรงเนี้มันเป็นเรื่องพน้นเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ที่จะคุยกันอ่าเจนนะค่ะหนูเคยอยู่ครั้งหนึ่งนานมากแล้วนะคะเคยคืออาการปวดหัวนี่มันเป็นโรคประจําตัวตอนนั้นแบบว่าปวดมากจนกระทั่งไอที่จําได้ก็คือว่านอนนอนแล้วก็โฟกัสกับ อาการปวดอะคะ่ะโฟกัสไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเห็นตัวเองนอนปวดอยู่อะแล้วหลังจากนั้นก็หลับปอกไปเลยแต่ทำได้หน่เดียวแล้วก็ทำไม่ได้อีกแล้วอะค่ะผก็เลยคิดว่าสงสัยมันเป็นความอยากของเราอีอยากจะหายปวดหัวมากกว่ามึงค่ะแต่เข้าใจที่หลวงตาอธิบายนะคะแต่ยังทาไม่ได้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะคือไม่มีเรา ไม่มีเราเป็นผู้ต้องทำอะไรให้ได้มีแต่สภาพธรรมะที่เขากำลังปรากฏในปัจจุบันอย่างอย่างที่ที่ที่โยมเล่านี้หลวงพ่อชี้ให้เห็นนะให้เห็นว่าสิ่งที่โยมเล่าก็คือเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็มันเป็นความจำได้เนาะแล้วก็เอามาเล่าใหม่แต่ความจริงในปัจจุบันเนี่ยอาจความจริงในปัจจุบันก็คือคือปัจจุบัน ซึ่งอาจจะยังมีปวดหัวหรือไม่ปวดหัวก็ได้แต่มองให้เห็นว่าอดีตก็คือเป็นสิ่งที่เคยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วแต่ปัจจุบันถ้ามันมีอยู่ก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏเนาะเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏก็คือรับรู้ได้รับรู้ด้วยต้องมีปัญญาก็คือว่าอ๋อมันเป็นแค่สิ่งกำลังปรากฏมันปรากฏขึ้นมาเพียงเพื่ให้รู้เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าปรากฏขึ้นมาเพื่อที่จะให้ใครมายึด เพราะว่ามันปรากฏแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงแค่ปรากฏแล้วก็มันหมดไปแล้วก็เนี่ยอาศัยเอาตัวตัวสติตัวปัญญาเนี่ยรับรู้รับทราบว่าอ๋อมันกําลังปรากฏหรือมันหมดแล้วก็คือแค่รู้อยู่ปัจจุบันอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยหนทางนี้ยคือหนทางที่ไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็การพ้นทุกข์มันจะพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันเท่านั้นคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้ ถ้ามีปัญญาเข้าใจว่าสิ่งนั้น of, สิ่งที่กําลังปรากฏเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กําลังปรากฏแล้วมันก็หมดไปนะให้เข้าใจอย่างนี้มันเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กําลังปรากฏแล้วมันก็หมดไปมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของใครสิ่งปรากฏก็ไม่ใช่เราผู้รู้ที่เป็นการรับรู้ก็ไม่ใช่เรามันไม่มีเราในสิ่งที่ถูกรู้และไม่มีเราเป็นผู้รู้แค่นี้มันก็จะพ้นทุกข์ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลย อ่าขอบพระคุณค่ะก็เอาหลักเนาะหลักที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังให้มันแม่นให้แม่นในหลักก็คือว่าสิ่งที่กําลังปรากฏเนี่ยไม่ว่าจะปรากฏทางหูทางตาทางจามูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเป็นแค่สิ่งเกิดนะแล้วสิ่งนั้นแล้วก็ต้องดับไปนะมันพระพุทธเจ้าบางทีท่านใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ชั้นบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาทีนี้ถ้าจําหลักแม่นๆอย่างนี้ก็จะรู้เลยว่าไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นต้องดับแน่นอนแล้วก็ไม่ได้หลงไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราให้รู้แจ้งแต่การรู้แจ้งอย่างนี้ธนาจากคือการ รับรู้บ่อยๆคือสังเกตนะสังเกตสิ่งที่เพราะว่าในตัวเราเนี่ยในตัวเนี่ยมันมีครบทุกอย่างแหละเนาะการการรับรู้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดทางไหนอการรับรู้ทางตาก็มันมีก็ตัวเรานี่แหละเป็นเป็นตัวตัวอะไรเขาเรียกว่าเป็นตัวเอ่อมันก็มันอาศัยตาเนาะอาศัยตาแล้ววิญญาณเนี่ยวิญญาณขันเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ตัวเราการรู้ตัวเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้ เกิดปัญญารู้แจ้งว่าทุกอนูทุกทุกทุ ก, ทกชิ้นส่วนทุกอวัยวะทุกอะไรต่างๆที่อยู่ที่เรียกว่าในตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นหลายๆสิ่งที่มารวมตัวกันนะมันมีหลายๆสิ่งที่มาเกิดรวมตัวกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องแยกนะแยกแตกสลายไปหมดเลยจนกระทั่งความเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นก้อนเนี่ยมันแตกสลายหมดเลย เพราะฉะนั้นตัวเราจริงๆก็ไม่ได้มีมีแค่หลายหลายสิ่งมันมาประกอบรวมกันแล้วสุดท้ายมันก็หมดไปถ้ามองเห็นภาพอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นได้เร็วเมื่อเกิดขึ้นได้เร็วปัญญาเข้าใจแจม่มแจ้งมันก็รู้ถึงว่าเอา้าเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ก็ไม่มีผู้ทุกข์มีแต่สิ่งเกิดสิ่งสิ่งดับแค่นั้นเองอก็เลยมันก็เข้าใจได้ง่าย อย่ที่พ่อหลวงพ่อบอกว่าจริงๆธรรมะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่มันเอ้ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่มันยากเพราะว่ามันยังเขาไม่ไม่เข้าใจ <established> ยังไม่เข้าใจว่าเออมันคืออะไรธรรมะมันคืออะไรแล้วพ้นทุกข์ยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าฟังให้เข้าใจก่อนเนี่ยเนี่ยถ้าฟังให้เข้าใจนะมันจะไม่มีการปฏิบัติอะไรเลยเพียงแต่ฟังให้เข้าใจการปฏิบัติหมายความว่าการปฏิบัติที่เอาตัวเราไปปฏิบัติเนี่ยย่อมไม่เกิดขึ้น เพราะรู้แล้วว่าตัวเราไม่มีเออมีเคยคนมีคนเคยถามเนาะบอกว่าแล้วถ้าตัวเราไม่มีแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงเราจะอยู่ยังไงหลวงพ่อเขาบอกว่าเอา้าแล้วที่ผ่านมามันอยู่ยังไงอะ่ะจริงๆอะตัวเรามันไม่มีมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นแล้วอะ่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กันยังไงอะ่ะโยมก็บอกก็เออก็อยู่ทํามาหากิน เ, ออเราก็อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ ทำอะไรก็ทำไปแต่อย่าผิดศีลอย่าผิดธรรมเนาะออทำเหมือนเดิมแต่มีปัญญาสามารถที่รู้เห็นเข้าใจว่าไอ้ที่กระทะที่มีกิริยาท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งมันไม่ใช่เราโออยมก็อูตาสว่างขึ้นมาไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปเพราะรู้ว่าออตัวเราไม่มีมาตั้งแต่แรกเนาะแล้วคำถามว่าจะทำยังไงต่อไป เอา้ามันก็อยู่เหมือนเดิมันแหละถ้ายังขันห้ายังไม่แตกยังไม่ตายเนาะก็ยังเดินยืนนั่งนอนยังมาพูดยังมาทำมาหากินเหมือนเดิมแต่เพียงอย่างเดียวว่าอย่าไปผิดศีลผิดธรรมให้จนที่เดือดร้อนคนอื่นกันหรือตัวเองประมาณนี้